พวกเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วกับอาชีพมันหนัก <c oughs> <c oughs> ให้พอใจให้ในเวลาเวลาอะไรก็ตามเพื่อปฏิบัติแล้วก็ชาวนาชาวไร่ตื่ขึ้นมาก็คิดจะไปทำนาทำไร่ แต่พูดความก็พูดเรื่องทำนะาหรือดูเกี่ยวข้าวก็พูดเรื่องเกี่ยวข้าวเดินผ่านกันก็ถามเกี่ยวข้าวเสร็จหรนะือยังอ ด, ดูดำนาะก็ถามเรื่องปลัดดำนาะไม่มีคําถา ม, ม อ, นอันเดิมแต่คิดก็คิดเรื่องงานเรื่องการคิดจนฝันว่าไรเกี่ยวข้าวหรือดูเกี่ยวข้าว เรดูถนาจะคิดฝันคิดมากกันฝันว่าได้ไหนามันเป็นของพิวเตอร์ไปในตัวอนโลกปฏิบัติเนี่ยเอาให้มันสุดพริ้เไปลองดูจนฝันว่าได้ปฏิบัติทางทีก็เป็นเช่นนั้นจริงๆสมัยปฏิบัติใหม่เคยเขียนเชือกยกเมื่อไ ร, รก็โยกมือรู้สึก ยกมือไปจบเข้าในปากเขารู้สึกตัวมันคินมันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อเดียวกันมันแยกไมออกคือความรู้สึกทั้งหมดส่วนของกายคือความรู้สึกเรื่องของใจคือความรู้สึกตัวเวลาทั้งหมดเป็นการให้ความรู้สึกตัวไม่แด้ จะมีอะไรก็รตามเมื่อถูกแบ่งปันก็ไม่ลืมไม่หมดตัวอาทีก็มีการแบ่งปันญาติโยมมาในมลไปสวดมนต์ที่บ้านบางทีก็ไ่วีโดยโจกหาโดยโอ้อเอาโดยโอ้อ <c oughs> อะไรใ ด, ดจะรู้สึกตัวไม่มีโอกาสทราบจังหวะที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆก็อเอาโดยอ้อมโอได้ยินเสียงฟังอะไรโดอะไรรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไปใความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจนง่ายไปทั้งหมดเลยถ้าเป็นความรู้สึกตัวไปเรื่องง่ายที่สุด มันเป็นชีวิตชีวาถ้าเราหัดแล้วมันกะ็ได้เนื้อได้หนาได้เนื้อได้หนาเป็นอันเดียวกัน็นแม่เลี้ยงลูกออกเราลูกล้มโอ้ยเก็บนะก่อนลูกนะลรวลูกลูกก่อนมันก็ไปกับลูกออก ทั้งตาทั้งหทั้งใจทั้งกายไปกับโลกเคลื่อนไว้ยังไงล้มลกุมลกส่งลกูกคลาคนยะังไงเอาใจช่วยเอาใจช่วยลูกออกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เป็นชีวิตคนละดุลละก้อนแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกันแม่เลี้ยงลูกออกแต่ที่สุดมังก็ สำเร็จนะสำเร็จ <c oughs> เป็นปริญญาในโลกคนที่หนึ่งได้ปริญญาตรีโลกคนที่สองปริญญาโทโลกคนที่สามได้ปริญญาเอกคบางคนก็ ช, ชะไม่ทำงานตามเจริญสติข้อมันก่นอนเราให้เป็นมันนัง่งน้ามหนึ่งน้มอันเดียวก่อน ได้เนื้อได้น้ำอันเดียวกันตาเห็นโลกก็สติหูได้เห็นเสียงก็สติจมกูกได้กินเล่นได้รสก็สติจิต ใ, ใจที่มันคิดก็รู้เป็นเรื่องของสติถนันดผู้ตาผัสายอะไรทั้งหมดเป็นความรู้สึกตัวเท่าจนตอนนั่นมันจะไปไหนนะจะมีศีลมันจะไปไหนล่ะแจะมีสมาธิจะไปไหนแจะมีปัญญาจะไปไหน ถ้าเราทำสุดเพื่อของเราก็ขอให้มีความมั่นใจเราทําอะไรให้มีความมั่นใจเราเป็นชาวนาเราก็มั่นใจเราทํานาเนี่ยคนมีความมั่นใจมากเวลาโขกข้าวก็มั่นใจมั่นใจจนจนคิดว่าปูจะไม่กัดต้นข้าวที่เราโขก มันมั่นใจบางทีตรงไหนที่มันปูชอบกัดข้าวเราเป็นคนไปปักดั่เองนะต่วัอ่าแปลงหนึ่งมันเมิน้ําตรงที่อื่นไม่เมินน้ำตรงหน้ามังคขังมันปูชอบกัดเราไป็นคนมั่นใจจับต้นกล้าไปดั่ตรงที่ปูมันกัดบางทีมันก็ไม่กัดเหมือนกันนะคนมวนวิภาไม่กัดจริงๆนะเรามั่นใจนะ มันเชื่อมั่นอะไรไม่รู้แล้วไม่แต่เราทําอะไรที่เป็นปี่มือทํางานทําการสร้างบ้านสร้างเรือนถ้าเราถ้าเราได้ตีตะปูเองมั่นใจขึ้นไปนั่งได้นะถ้าเราทําเป็นคนทําเองคนอื่นตีให้ไม่มั่นใจต้องค่อนไปตอตอต่อดูก่อนจึงค่อยนั่ง่ะเราทําเองมั่นใจตอนนี้ปีมือ ถ้ามันมีฟีมือมันก็มันก็สำเร็จอะไรก็สําสำเร็จรเรื่องการเจรรญสติเนี่ยขอให้ขอให้หนึ่งเดียวสักที่พิต์เราเนะี่ยทำอืนก็โดยเพราเราก็เคยเคยผ่านเคยมีอะไรมาบมากแล้วลองผันผันหน้าก็มาทางนี้เราดู ไปสักครั้งหนึ่งให้ทําให้สุดทีเนี่ก็พอแตถ้าเราทํำจริงๆเนี่ยมันไม่มีกลางวันกลางคืนหรอกกลางวันมันกว่คืนนะั้นกลางคืนอันเดียวกันถ้าเรามองดูโลกเนะ่ยมันไม่มีกลางวันกลางคืนอยา่าไปหลงเกิอยา่าไปหลงกลางวันอยา่าไปหลงกลางคืนไม่มีความสําคัญเลยกลางวันกลางคืน อะไรอะไรก็างๆไม่มีความสําคัญหรอกถ้าเราเจริญสตินะเพราะความรู้สึกตัวมันมันมันสุดยอดมันสุดยอดมันเป็นปรมาตารย์แล้วความรู้สึกตัวมันเหนือเหนือทุกอย่างเราจึงพยายามนะมันก็การกระทำให้มันให้ความมั่นใจมาก จะไปกระทำแบบหลักตรรวมหลวมเอาแต่พิธีเรตองแต่มันเกินพิธีไปพิธีเนี่ยบางทีเ็าก็ขวางกั้นได้เหมือนกันถ้าเราเป็นนัก บ, บวชเราถือว่าตัวเังเป็นนัก บ, บวช <c oughs> ทำอะไรก็อางทีก็อาจจะเอาเปรียบคนอื่นก็ได้ ยิงก็ได้เป็นที่ิฏฐิมานะเตยก็ถ้าเราเป็นทั้งบทจริงๆมันมันต้องต้องอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดนะถ้าเป็นต้องจริงอะไรต่อที่ว่ารับใช้ทั้งหมดช่วงมันเหม็นกรอเสนอเรานะมันมันอ่อนลงแไบปบอย่าไปยิงอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเสนอตัว เสนอตัว้าเป็นเรื่องความดีไม่ถือว่ายากต่ว่าช่วยไม่ใช่งอเมือหอเท้าถ้ามันเป็นสมมติเป็นเด็กเป็นตีของก็อขวงกันได้แต่เราเป็นคารวะขวงกันได้โอ้ของก่อเป็นพระกอหนูเป็นโยม หลวงพ่อทำได้ของพอ่อของพ่อใน่กลัวผีหลงพอ่อหลวงพ่อเป็นพระพเราเป็นโยมต้องกลัวผีเป็นธรรมดาบางคนเขาพูดอย่างนั้นนะื่อว่าผีมันก็ไม่หลอกพร ะ, ะผีเราก็คิดเลยด้นความเป็นพระที่เป็นเพศอาจจะสู้เพศฆราวาสได้น้ำใจนะ น้ำใจความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาอาจจะมีอยู่ในครวญมากกว่าอยู่ในพระโดยซ้ำไปนั่นสมมติวันหยุดเนี่เราจะจะให้มันขวาเราเป็นโยมก็สติเดียวกันเป็นผู้หญิงก็สติเดียวกันเป็นผู้ชายก็สติเดียวกันเป็นนักบวชหรือเป็นครวญอันเดียวกันมันเป็นหนึ่งเดียวเป็นหลักฐากล แต่ไปอ้างบ่ฉันเป็นโยมเป็นผู้หญิงด้วยแม่เดีคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเลยก็ของอกันอย่าไปคิดอยด่เราก็หนึ่งหละัะเราจะต้องปฏิบัติเหมือนกันนั้นพระอนุนลถามพระุู ธ, ธิจักนางประชาพดีอาประชาพดีโคตะมีไปขอบบวด พระเจ้าไม่อยากแต่งบทแล้วพระนนท์ก็ไปถามรรมาเป็นไงมักมผลในผานอเลียมากอเรียบผลผู้หญิงสามารถที่จะปฏิบัติถึงอรียมากหรืออเลียบผลได้พระเจ้าบอกว่าได้ได้ทั้งนั้นอ้าวเพราะเหตุนั้นปุะด็นางขาไป ทางวดีก็เป็นผู้หญิงก็ไม่โอกาสที่ถึงมากถึงผลได้ฤาษีโสฬาริจา่าก็อนุญาตให้ผลว่าเดียวพอสามารถถึงมากถึงผลได้วิธีปฏิบัติของพวกเราเราก็พิสูจน์ได้เองไม่ต้องรองคำถามไม่ต้องรอง คุอุดเรายกมือขึ้นเรายกมือขึ้นหน่อยเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็ไม่มีคําถามว่าเราเจออะไรเราจะรู้เองเวลามันหลงเวลาใดมันหลงมันต่างกับความรู้สึกตัวเราในความรู้สึกตัวความหลงก็หมดไปไม่ต้องไปถามใคร เราสัมผัสไปเราสัมผัสไปสัมผัสไปสัมผัสกับกกนความรมมู้ไม่จะเห็นความหลงสัมผัสกับความถูกไม่จะเห็นความผิดสัมผัสกับความไม่ปกติไม่จะเห็นผิดปกติเราก็ไปไปหาความปกติเองเหมือนหลวงพ่อโคตรชาติความปกติเหมือนบา้านเหมือนเหมือนที่อยู่ของกิจสติ เมืนผู้ดูแลจัดสรรให้ให้อยู่บ้านให้อยู่ในความปกติแม่เวลาใดที่มันหลงออกไปสติก็ช่วยให้กลับมาอยู่กับความปกติเหมือนแม่เองสอนโลกอย่าเนี้มากอย่าเนี้ยบเข้าบ้านอย่าไปตากฝนอย่าไปตากแดดอย่ากระเด็นนั้นเดี๋ยวตกเดี๋ยวชนโน่นชนนี้่ เราก่อนจับเมฆจับอะไรตกปั้มตกเรือนแม่จะต้องบอกสติก็เหมือนแม่แต่เราศึกษาตัวดีๆทำอะไรบาทีมันรู้จักตัวมันก็เลยจะกลับม า, าหาความปกติผมว่ามันหลงไม่มัน ผ, ผิดปกติเมือ่อไหร่บางีมันในพลังช่วยพลังแห่งความรู้จักตัวพลังแห่ง ความปกติช่วยเราเงีงว่าแต่ให้ให้แยกขาดอยาผิวผิวเปเิร์ดเหมือนเราทํางาน ท, างทํากานบางทีเราทําสิ่งใดที่มันแยกขาดเราไม่เราไม่ซึ่งใจนะล้วก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้โอกาสถ้าดโอกาสไม่แยกขาดเช่นเราไม่หู อาทีโหูเสียงก็ได้ยินอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเสียงที่มันได้ยินบางทีเสียงที่มันได้ยินอาจจะเป็นประโยชน์อาจจะมีโอกาสนะตาก็ดีเราม่แยกขาดเช่นสมัยหนึ่งนะทาลงโบสถ์ที่หัวใจหลังนี่จะหลางอยู่หลังเขา เอากันไปลงโอโซนอได้เดินกลับลงมาผ่านจราไก่เสียงแม่ไก่มันร้องก็ตาก็ตาก็ตาเอ่อเพื่อนเดินผ่านไปก้าลูกสิบลูกผ่านแม่ไก่ที่มันร้องก็ตาก็ตาแวพ่อก็เดินตามหลังมาก็ได้ยินเสียงแม่ไก่ร้องก็เยี่ยงโห่ฟังนี่ไอ้แม่ไก่มันร้องอะไร มันต้องผิดปกติมันจึงร้องแบบนี้เพื่อนเดินผ่านไปเลยไม่ได้ดูแม่ไก่มันร้องอะไรเราเดินมาที่ร้านคอนโดโอ้เหตุที่มันร้องกาไปแย่งกินไข่มันในหลังมันจึงร้องเลยเพื่อนก็เลยยินพอดีเราไปไล่กาออกจากหลังไข่ถ้าถามเพื่อนมาแล้วก็ คนเดินมาผ่านชลาไก่ได้ยินใช่ไหมไก่มันร้องไหมได้ยินแต่ไม่สนใจไม่เป็นสนใจทุกคนก็ได้ยินเดียวเลยพลาดเลยจะเลยไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ทดําดีเลยไม่ได้ช่วยแม่ไก่เราก็เออแต่วันบางทีโห้ได้ยินเสียงเกิดสยดเกิดโทษเมื่อมันในโทษเราก็เว่งข้อมองตามันเห็นเรามีความแยแสขายาได้ผลลุธ์คำเพอตาเห็น อา จ, จะได้พัลลุดทำเอาได้ยินมาได้เช่นถ้าระยะสูงบางรูปเห็นใบไม้ร่วงภาษาใบไม้ร่วงเฉยๆก็ได้พรลลุดทเพราะพิจารณาโดยแยกขาดเห็นต้นชงมันไหลาตามแม่นะ้ำมันไหลไปล่องนะ้ำไหลเรื่อยเรืืยเรืยยมันไม่ติดฝั่งซ้ายฝังขวา เขาประมยประมา ณ, มาณกับตัวเองถ้าติดฝั่งซ้ายถ้าติดฝั่งขวาถ้าท่อนทรงท่อนนั้นติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาแล้วก็คนมา ก, ก็าเอาขึ้นฝั่งเอาไปเลื่อยเอาไปอะไรท่อนทรงท่อนนั้นไม่มีโอกาสจะถึงจุดหมายปลายทางก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คือความยินดีความยินร้ายพอที่ไปสยบไปติดบก็ความยินดีมาก็ได้โอกาส ไปตีโยกความมีร้ายมาก็ได้โอกาสมาเปรียบเทียบตัวเองมันอยู่ตรงกลางหรือมันเองเลยวันจิตตรงนั้นเอามาเอามาปฏิบัติเอามาสอนตัวเองบคนที่เจอเอาท่อนชงมาเป็นปุกขลาทิฏฐานมาเป็นธรรมาทิฏฐานมาสอนตัวเราคนที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเปรียบเทียบเย่ยหรือนาะงหรือภิกษุณีตนหนึ่งอยู่เขาที่จักกุบ เห็นคนช่างเขาช่างลงอาบน้าคนช่างก็ยืนอยู่คนฝั่งบอกช่างลงไปไอ้พ่นข้างหลังไอ้พ่นข้างซ้ายไอ้พ่นข้างขวาไอ้พ่นข้างหลาดช่างมึงก็โดนน้ำพ่นหลังใช่ไหมเต้นนะเหม่ยโผโผโอนข้างหลังอีกโผโอนข้าง ขวาหูดหูดโค่นท้องพูดแก็วของดูจนพอใจสะอาดนะบอกข้างขึ้นมาพอบอกข้างขึ้นมาก็บอกข้างนวดตัวเองไปนวดตนมาเอาข้างซ้ายเอาข้างซ้ายไปนวดตนมาบอกเอาข้างขวาช่างเอาข้างขวาไปนวดตนมาพอกข้างหลังช่างก็ เอนหลังไปนวดจนมากเอาท่องท่านเอาท่องนวดตนมาก็อบอกมาพหาเจ้าของโอบรองเจ้าของเอาสี่ขอชางกกับบาตภิกษุณีตนนั่นเต็นทวนชางสอนชาติก็มาเปรียบเทียบกับตัวเราเรานี่เป็นภิกษุณีจะไม่จะสอนตัเองไม่ได้เหมือนชาง เอาช่างเป็นครัวจางเขายังทําได้เราจะไปปล่อยให้จิดหมกมุ่นคนคิดหรือเราหยุดไม่ได้หรอวันร้อนเราเย็นไม่ได้หรือวันทุกข์เราไม่ทุกข์ไม่ได้หรืออะไรก็ตามมาสอนตัดแต่งคนที่สุดเอาช่างเป็นครัาวเอาปฏิบัติก็ได้บนรูปธรรมบางบางทีมันติดประโยชน์ทั้งหมดนะ่ะชีวิตของเราการใช่ชีวิตประจำวันแม้แต่คมมุ่นวัง ความบุ่นบายความคเครียดนความฟุ้งซ่านอะไลองดูดีๆมันก็ต่างกันกับความไม่ฟุ้งซ่านความบุ่นบายความอะไรต่างๆมันตามกันอยู่กับความปกติอย่าไปจ น, นเกี่ยวกับเคียบยทันทีเลยทักท้วงโต้โ ต, ตอบ แก้ไขเปลี่ยนให้มันถูกมันผิดอยู่ในเราเปลี่ยนให้มันถูกไหมเร า, าอาร่ฏิบัตะอย่าไปหอบไปไหนไปโทษโน่นโทษนี่เนี่ยเรานั่งอยู่ปฏิบัตริทำเขาเปิดเครื่องพยายนตรงตัวอย่าไปโทษเขาต้อมากลับมาหาตัวสนวนทางทวนกระแสทวนให้มันเก็จตัวเลย อันนี้มันจะค่อยตามเอาใมันแหวกขึ้นเนาะแต่มันะลองทวนดูเลยมันจะเก่งไปเรื่อยๆถ้าเราเลยก็ค่อยตามหมดเ อ, มอะไรก็ไว้ไปตามายยอะไรก็ไว้ไปตามเราจบยอดไว้ไปตามเราเน้นท่าไว้ไปตามเหมือนชีวิตเหมือนก็ถูกอชักขาดไปเพราะเราต้องเป็นตัวของตัว การกฏิบัติธรรมต้องเป็นตัวของตัวเพราะมันมีหลักอยู่มันมีสูตรอยู่มมีหลักอยู่เร่ว่ารู้สึกตัวมันเป็นหลักไปไหนก็ต้องกอลับมาตรงนี้ไปไหนก็กลับมาตรงนี้อจะไปความสุขความโลภความโกรธความหลงที่เละเทอนั้นทนอร์แล้วก็กลับมาหาตรงนี้มาหาความรู้สึตวัวด้วยฝีมือของเราด้วยมือของเราด้วยการกระทําของเรา จะไปอ่มองไกลแต่ไปมองไกลตัวของที่มันไกลตัวมันแช่ไหมล่ะของที่มันอยู่ใกล้ๆมันแช่ละมันใกล้การปฏิบัติธรรมปติเี่มันใกล้นปัจจิตตังมันใกล้มันอยู่ใกล้ๆมันสามารถทําได้นะต้องต้องให้เก่งนะการปฏิบัติธรรมต้องเก่งทันที ไม่ใช่เป็นเด็กไม่ใช่เป็นอ่อนแอไปเลยลพอทำแล้วมาแค่นี่เลยหลวงพ่อพกยกมือขึ้นแค่นี่เลยด้แค่เนี้เลยด้แค่นี่ยเลยแค่นี่เลยคล้ายๆว่ามันใจสำนึกอ๋อแค่นี่ยเลยมีเท่านี้เลยมีเท่านี้เลยควารู้สึดตวัวพอทําไปทําไป <c oughs> ถ้ามีหลักมันก็ต้องเกิดการเห็นต่างๆเห็นผิดกตนน็ตรงนี้เห็นถูกก็ตรง น, นี้ ความทุกข์ก็แช่ตรงนี้ความหลงก็แช่ตรงนี้ความโกรธก็แช่ตรงนี้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะไม่ได้ไปไม่ได้นอกออกแค่นี้ไปในตัวเรียกว่าเนื่อเนื่อมันในมันอยู่ในตัวเสร็จทันทีความหลงก็เอาความไม่หลงอยู่ในตัวไม่ควมหลงมาเลยทางพุทธเจ้าจะว่านิพพานมีอยู่ในสังขาร ในสังขารมีนิพพานอยู่ตรงนั้นสังขาราปรมาทุกขานิพพานาปรมาทุกขังตรงกันค้ามไม่ตรงกั น, น, กนเรียกว่าปฏิบัติคือกลับกลับคนละมุมมองต่างหมุมมันเกิดอยู่ที่เดียวเหมือนทางสี่แพร่งทางสามแยกสี่แยกแต่มันตั้งต้นที่เดียวกันแต่มันไปคนลทิตแนวทางนะแล้วก็ตั้งต้นก็หลอกทางปีมันก็ตั้ง ตั้งต้นตรงนี้ทางที่มันถู ก, กตั้งตรงนี้วันนั่นจริงๆนะการปริบัติมันก็คือความรู้สึกตัวทั้งนั้นไม่มีอะไรหรอกอะอย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่ามันยุ่งมันยากอย่าไปคิดว่าทําได้ทําไม่ได้อันทําได้ทําไม่ได้มันมันเป็นภาษาสมมุติเฉยๆหรอกตัวการทำนั่นนะแหละรู้สึกแต่หนูก็ทําได้ทันทีมันง่ายกว่าทำมันง่ายคนหลงเราจริงๆแล้วนะ่ะ ต้วมลงนะมันยากนะต้องรูจักจตัวมันง่ายแต่โดกขวากลมทุกขก็ยากต้องปรุงแต่งผมไม่ปรุงไม่แต่ ง, ม, ง ม, ตมันง่ายง่ายเพราะฉะนั้นอ่ะอ่าขอบกระดกขอบโยนไปมันก็กลิ้งไปเลยมันยากมันมีพลังต้องต้องมีพลังแรงถ่วงเหมือนกับของที่มัน แบนๆที่งไปมันก็ไปทิ่งมันง่ายกว่าความปรุงกับความไม่ปรุงมันต้องมีอะไรที่มันสนับสนุนการปรุงมันมีสิ่งสนับสนุนความไม่ปรุงเนี่ยมันไม่ ม, ม, ไ ม, มีไม่สิ้นเปืองพลังงานอะไม่สิ้นเปืองพลังงานการไม่ปรุงแต่การปรุงเนีโอ้สิ้นเปืองพลังงานต้องมีสังขารต้องใส่ใจต้องเ่งเลงต้อง ลำดับต้องลำนำต้องเอาอะไรต่างๆมาเสริมมาสร้างเพื่อให้มันปรุงต่อไปบางคนถึงกับว่ากินเหล้าตีมันเพื่อให้มันปรุงถ้าไม่กินเหล้าใจมันจะหายโกรกต้องกินเหล้าเพื่อย่อมใจบางคนกินข้าววัวไม่ได้เอาเหล้ามากินไปข้าววัวไดุ้งเลย กินเหล้าข้าคนกินเหล้าข้าวัวข้าวป่อยกินเหล้าเพื่อจะกินดิบๆเหมือนหมาเหมือนสัตว์อะไรกันเลยกลารไม่ปลงมันง่ายนะสะดวกที่สุดผงพ่อพาทําในสิ่งที่มันสะดวกพระพุทธเจ้าพาพวกเราทําเรื่องความสะดวกจนเรียกมามาดูมาดูม า, มาดูที่ดูเท่ เพรส 1989, <si ิ่งน uh ี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพอาสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีมาดูมาดูอพอรู้สุดตัวมันก็ยังไม่หลงพอาหลงมันก็ไม่รู้มาดูมาดูมาดูเพอาสิ่งนี้เองพอรู้มันก็ไม่หลงพอาะรู้มันก็ไม่หลงเพราะรู้ถ้าหลงมันไปมันไปไกลแล้วก็มาทำดูมาทําดูถูกต้องแ้วพวกเรา ไม่มีไม่มีอะไรอื่นแบบชีวิตเราการที่พัฒนาชีวิตสุดยอดของการพัฒนาชีวิตเสียเนี่ยความรู้สุดตัวเลยนะเราก็ทําไดไ้พูดในสิ่งที่เราทําได้ไม่ใช่พูดเรื่องเราทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าอบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ไม่ใชะอันเดียวกันพราะมันมีอยู่กับเรา คนเราก็มีธรรมชาติเท่ากันมีกายกับใจมีธรรมชาติเหมือนกั น, มนมหมดความรอดความนาบความหิวความโกรธความไม่โกรธความทุกข์ความไม่ทุกข์ความหลงความไม่หลงอันเดียวกันพระก็อันเดียวกันนักบวชก็เดียวกันอาละวาดกเดียวกันผูาาา้หญิงผู้ชายเดียวกั น, กนไม่มีเพศไม่มีไว้ไม่มีลัทธิไม่มีนิการตัวปฏิบัติเนะ่ย เรามองอย่างนี้มองแบบลาดลื่นถ้ใช่อันนี้กับเป็นพระสงฆ์อันนั้นกับสามเณรดีอันนั้นกัแม่กีอันนั้นกัอวราชิตามันสมมุติมันใช่เปรมาตต์รือเาเมาตมันต้องอันเดียวต่างโลกทำนามธรรมคือโลกกับนามคือกายกับใจตัวหลงตัวรูกอันเดียวต่างอ่าทำไปทาไปด้วย ใจสบายสบายอย่าไปตั้งกิดไว้ถูกก็เดินไปตั้งกิดไว้ผิดตั้งกิดไว้ให้มันถูกถ้าตั้งไว้ผิดแล้วก็มัก็ยากกิดนี้ถ้าตั้งไว้ผิดแล้วก็ยากก็ตั้งไว้ถูกแล้วมันไม่เหอนอยนมองนี้ง่ายอะไรแองยิมไปในใจใจดีสู้เสือโบานท่านว่า ทํายอย่ามีอะไรมาบังคับขับใส่อย่ามีอะไรต่อรองแม้เราจะมีกําหนดมาเพียงเก็บวันก็เป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีเก็บวันเก็บวันอะไรหรอกมันมีแต่โต้รุ่งโต้ลงตะ ว, วันมันก็ไม่มีการนักขัดตังปริมาณในทางกายอะเราก็ตะว่าการเวลามันมีเดียวกันคือการเวลา เีวิตเราต้องการเวลาไม่ใช่วันที่จะมันการพุทธมหาศึกสองนเป็นสมมติแต่ถ้าเขาเปความรู้สึกตัวคือชีวิตเรามาเรามาลูสึกตัวเรามรู้สึกตัวลอย เ, เวลาทําอะไรก็เราไม่ได้แต่ถ้าเราหลงเวลาก็ลงโทษเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์นะ ไม่มีหละกลางคืนก็ไม่มีกังวันก็ไม่มีแต่ความรู้สึกตัวเอาไปมาความรู้สึกตัว่าเห็นลูกคือความรู้สึกตัวหูได้ยินเสียงคือความรู้สึกตัวสมองได้กินได้ดได้รสคือความรู้สึกตัวอ่ะอนไ อ, ไอไัไอัไระต่างความรู้สึกตัวทั้งนัน้นวะอ่ะม่ก่อไม่มีปัญ <c oughs> หาอนะไรไหม ห่องนอนนะอะไม่หวคิดมากไหมอ yeah, ดีถ้าคิดอ่ะมันมีถ้าคิดเนี่ยเราก็่าสนุกตะถ้าไม่คิดยโอ้ยไม่ดียืดชืดนะแต่มันคิดในดีมากจะได้เห็นบางทีอ่าล่องพอ่อของฮะของเจ้ชื่อเรามองแล้วภาพไปแล้ว าหาหลวงพ่อเกาหัวยังไงหลวงพ่อผมมันได้คิดเออทำยังไงว่าไม่คิดอะไรเหมือนไม่มีหัวจิตหัวใจอะไรเลยมันทำยังไงเขาก็เขาก็ทุกข์อะตัวไม่คิดอะซื้ อ, อไปเรื้ อ, นะอยๆให้มันคิดอะถ้ามันไม่คิดเดี๋ยวมันไม่เีรสชาติมันมีมันกันนะอารมณ์บา ง, บางขั้นมัจะไปจก ว่างมนะบางทีต้องมาลูบตัวเอ๊ะมันก็มีนะเอามือมาจีบขามันยังเก็บอยู่นะมันมีลูกในอะไรนะเอามือมาจีบแขนด้วเอ๊ะมันยังมีลูบมันยังนก็บมันว่างมากมากเลหาตัวเอามือมาลูบตัวมันว่างเลยว่ะไม่มีรสชาติอันที่มันคิดน้นคิดในนโอนมันกลับมันบอกมันหบดเรียนเยอะแยะตัวหมดเลย ถ้ามันว่างเลยจะทำไงฮะไม่มีรถชาติเลยเหมือนรถวิ่งไม่เข้าเกลีย์หลงเด้งไปหมดเลยเคยขับรถไม่มีเกลีย์อหมหลงเด้งไหม <c oughs> ใครกาไม่ไ ม, ไม่ไม่มั่นใจฮะถ้ามีเกลีย์ติดเกลีย์ไปเรื่อยๆแต่น้อยกวาเกลีย์หนึ่งเกลีย์สองอะจะเ บ, บ, เ บ, บเครคอะไรก็ได้นะ ให้มันคิดลงไปให้เป็นไงแต่ไปแต่ไปคิดว่ามีปัญหาความคิดไม่มีปัญหาอะไรก็ถือถือไปจะมีปัญหาฉันเชื่อว่าสติแล้วไม่มีปัญหาเฉลยได้ทั้งหมดให้สติมันเฉลยหลายเรื่องมันจะเก่งถ้าสติไม่ได้เฉลยมันไม่เก่งมันไม่ไม่ไม่แจกละนะมากราบพระพ่อกับ ระหังธรรมธรรมทุกข์ขกวะปุตตังขกวันตังอะภิวาเทมิสวกาโตวะตาตุโมตัมมังมะมะเตม หลอกไม่กลัวคนหลอกไม่คลัวกลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองเองหลอกเองมันหลอกให้รักก็รักมันหลอกให้จังมันหลอกให้โกรธมันหลอกให้โุกให้ทุกข์หลอกให้กลัวลองดูดีๆแล้วจะจับ จะจับตัวมันได้จะจับตัวเฮี้ยตัวนี้ได้จับตัวอะไรเนี่ยหลวงพ่อตัวเฮี้ยพูดอจมพระโพธิละโพธิละเน้นสอนโพธิละโพธิละเ น, นี่นยจบพระไตรปิฎกนะไปหาใครก็ไ่สอนไปหาเน้นน่อยนู่น นายน้อยก็บอกลงไปในน้ํากันมานายน้อยเขาว่ามีจอมปวกจอมหนึ่งมีรูหกรูมีตัวเหี้ยเข้าอยู่ตรงนั้นแต่ทําไงต้องไปจับตัวเหี้ยได้เหี het, ้ยตัวเหี้ยมอยู่ในจอมปลวกแต่ว่าจอมปวกไม่อยู่หกรูพอทีละเนี่ย โอเที่าถามโปรเทล่าทํายังไงถึงจับตัวเหี้ยตท่นั้น่ะเมน น, น้อยถามได้บม่รุ้ทำอเลยนะเพาะว่าเขาจับตัวเหี้ยได้โอเทล่าก็ต้องปิดห้าโลขุดตามโลเน่ไปขุดไปทั้งห้าเลยปิดหมดกดตามไปแต่ก็จับตัวเหี้ยอะไรเขาพอตอบเขาได้เลตัวเองก็ไปปฏิบัติ พอปฏิบัติก็จับการเรรลี้ยงรูหกรูเอารูเดียวตามไปทําไปจับเหี้ยได้เห็นผิดเห็นถูกเห็นสุขเห็นทุกข์มันอยู่ตรงไหนความโกรธความโลภความลงมันอยู่ตรงไหนผงพ่อ ก, ก็เลยโพูดเสมอว่ามันมีตัวลูกกับตัวหลงเท่านั้นแหละใช่ไหมชีวิตเรามันไม่มากหรอกในตัวลูกกับตัวหลงเท่านั้นตามหาดูจริงๆเนีน่ยมีสองอันเท่านั้น มันหลงเราก็เปลี่ยนเป็นลูกได้ปิดแล้วปิดรูหลงเปิดโตัลูกต า, ามลูกเข้าไปแล้วเราเปิดให้มันออกก็เพื่อเเ พ, อเพื่อมันก็ไม่ได้ปิดรูหลงเอาตัวลูกเข้าไปอันนี้ไม่พ้นหรอกตามไปตา้ไป <c oughs> ตัวรูหรือตัวสู้สึกไหมละยกมือยกมือสร้างใจว่าช่วยยกมือช่วยเจตนาช่วยให้ตัวลูมันเด่นตัวลูมันเด่นมันลงเลยกลับมาเน่เน่เลยเอาตาดูก็ได้เสึดเปิดตัวลูตัวลงกปิดละมันลงอีกเปิดตัวลูแล้วก็ปิดตัวลงโดยธรรมชาติ มันหลงมันโลกมันหลงมันโลกพยายามทำอะไรมันจับเหนียดอะแต่โล่ยอย่านี้จับได้มันโทษยาวว่าโอ้ยเจ้าสังขารแต่ก่อนเราไม่รู้จับเจ้านล ว, าวิ่งกับเจ้าไปในสงสารอเนกชาติแับ น, นี้เรารู้จักเจ้าเสี็แล้วเจ้าจะทําอะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไปจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภา พ, พอะไรปรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ที่น่าเจ้าสังขารตัวสังขารคือตัวหลงตัวหลงตัวปรุงปุงแต่ง ต, ตัวไม่ปรุงเลยเป็นวิสังขารวิสังขารคือเป็นชีวิตรุ่นลุ่นขอมันสังขารเป็นชีวิตปลอมปล อ, อมันปลอมตัววิสังขารวิเศษวิวในวิเศษนําไปนําไปสู่จุดหมายปลายทาง วิตะนะวิตัวนี้มาจากาพระได้เป็นพระด้วยวิตะนะวิปัสนาเนะี่ยมันเป็นพระแล้วล่วงพ้นภพาวะเก่าแล้วความเป็นปุถุชนความปรงปร ง, ปงแ ต, แตงล่วงมาแล้วพ้นมาแล้วมาถึงวิเศษแล้วพ้นมาอย่างวิเศษนำไปอย่างวิเศษถึงจุดหมายปลายทางอย่างวิเศษ ไปพุทธมนตรจะแม่้็จะพาไปอีไม้จะไปไปไหมวันที่ยี่เกตเนาะยี่กตไปพบกันทีพุทธมนตนะ ไ ป, ไปเยาวราตั้งายคนไปไปเยาวราชไม่รู้มันก็จะไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเอะอ่ เพื่อนกันทั้งหมดเพื่อนมนุษย์พาทั้งหมดนนี้เพื่อนคนนี้น้องเพื่อนอล้วคนคนนั้นก็เพื่อนเด่นเหลานกเพื่อนไม่รอกก็บอกกันต่อๆ่ะคนคนที่ลองศึกษาคนลองศึกษานี่็จะบอกเพื่อนมาแล้วจะพามาอีกคนคนนั้นก็ติดกได้ก็ได้ เหมือนพารยศาตร์เนาะเป็นเพื่อนของพชัยมาก่อนคนพุทชัยอ่ะอ่าเนี่ยสคนนั้นเป็นเพื่อนพุทชัยมากอตั้งแต่เรียนเสร็จจะได้เนาะจะได้พิพุทชัยเนาะอ่าวก็จะได้จะได้วัดสุขโตเนี่ยพวกที่บูกเบิกที่แรกคือพวกขมวุทธชัยนี่แหละขโมยว้พาเนี่ยทั้งหมดหละกติกอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าไม่ใช่พวกเรามาหลวงพ่อก็ไม่สะภาพแบบนี้นะแต่ก่อนหลวงพ่อก็จะไม่ทําอะไรเลยนะเ <c oughs> ออคนบริจาคมาทีแรกกินข้าวตากฝนเขาถ่ายภาพอยู่เซราไก่เซราไก่ก็ลังต่าๆนะเนาะวันนะทำเตีดเด๋ยวเตี <c oughs> ๋ยว <c oughs> แล้วก็ฝนตกกินข้าวตากฝนเขาถ่ายรูปมาให้หลวงพ่อดูนีเ่เราเนี่ย นึกว่าจะอยู่คนเดียวไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วคนมากินข้าวตากคนอนะ่ะจะทายังไงเน่ฮะก็เลยคิดสร้างศาลาหลังนู้นนะศาลาใหญ่ศ <laughs> าลาใหญ่ <laughs> ไม่ได้แล้วนะ่เราต้องทำเ <laughs> พี่อว่ตนั้นศาลาใหญ่ีแล้วไม่มีตอนไม่มีพอหลวงพ่อเห็นพวกเราเกินข้าวตากคนอะ่ะก็เลยเกิดกำลังใจข <laughs> ึ้นมาแล้วเนั่นก็ก็นวดทิชชให้เงินหลวงพ่อสามหมื่นบาทโอ้ปีห้ารอยเท่าไหร่นะ 24, 25, ยี่สี่ยีย่น้าเรียกสามเนี่ยให้เงินสามหมื่นบาทแล้วพ่อก็ไปไประชุมชาวบ้านแต่ทีเห็นพวกเราจึงข้าวตาขนบ้านใหม่บ้านโขน ง, งบ้านวังแค่บ้านทํามาไปใคร จ, จะทำช้าลาใครจะเอาอะไรบ้านเอาเสาคนลราต้นเอาเอาจันทันเอาจันทันเอาเอาหลังนั่นเอาไม่เอาไม่เครื่องไว้ไหนประชุมวันเดียวหมดเลยไม่ คนรับไปหมดเลยเอา้าร้องพ่อเป็นสังกะซีคนนู้นได้ใช้เงินสามเหมือนเรวก็ยอมเป็นไหมรลวงพ่อเป็นสังกะซีแป๊บเดียวเสร็จเลยลจะลา